นานทีจะได้เห็นหลวงพ่ออินขึ้นธรรมาทถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่แล้งก็ตกว่างั้นเถอะฝนพอนั้นวันนี้ตั้งอกตั้งใจฟังนูสิว่าหลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไรให้พวกเราได้ยินได้ฟังแต่อันดับแรกก็คือขอร้องไม่ให้ถ่ายรูปในขณะที่หลวงพ่อกำลังพูด กำลังแสดงธรรมเพราะว่าการแสดงธรรมการพูดของครูบาอาจารย์พระป่าเนี่ยโดยมากออกมาจากจิตใจออกมาจากความรู้สึกแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งลบกวนเข้ามาแล้วทำให้เป๋ไปได้ไง่ายๆคนนั้นอันดับแรกก็คือไม่ให้ถ่ายรูป อันที่2ก็คือท่านผู้ใดมีธุระที่จะต้องพูดคุยกันเขาให้ออกไปคุยกันข้างนอกไม่ให้คุยในบริเวณนี้เพราะว่าการเสียงกระทบส่วนหนึ่งก็เหมือนกันเพราะครูบาอาจารย์พระป่าเนี่กลัวมากคือกลัวเสียงถ้าเสียงรบกวนเข้ามาแล้วพูดไม่ออกเหมือนกันเพะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะ เป็นองค์แสดงทมนานทีทำไมแต่ก่อนลุงพ่อเองก็ไม่คิดอยากจะขึ้นธรรมาศาตร์แต่ต่อมาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถระมหาเถระท่านก็ล่วงลยไปตามอายุสังขารท่นี้มาถึงตาของเราแลวท่นนี้เราจะนิ่งเฉยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆใดๆทั้งหมดมันก็ลักษณะ สุดส่วยรวยแหลมไปพนั้นหลวงพ่อก็เลยได้ให้ไขวักกัดฟันสู้ว่างั้นเถอะมาถึงตาตัวเองแล้วถึงยังไงก็ให้พวกขรัสิธาญาตยมค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเหมือนกับเราหัดเขียนกอไก่ทีแรกนั่นะกอไก่ขอไข่ขอขวดข อ, อกอไก่ตัวที่แรกกันผิดบ้างถูกบ้างตัวโค้งๆกลมๆไม่มีกระทั่งจะ ง, งอยปากมันว่างั้นเถอะ ต่อไปต่อมาก็ค่อยเขียนขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ตั้งใจฟัง ส, สุสังลัตเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาอาจจะมีปัญญามากและมีปัญญาน้อยอีกส่วนหนึ่งให้ตั้งใจฟังคงจะมีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สําหรับพวกเรา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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะภิวาทานาสีลิสานิจังบุธาปจายิโนจัตาโรธรรมาวัทฐนติอายุวันโนสุขังพะลังตีวันนี้นับว่าเป็นวัน มุงคลอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์พระครูจิตตะภาวนาญาณของพวกเราเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ครบรอบอายุ61ปีปีนี้พวกเราคณะสัทธายาตโยมพระสงฆ์ยังได้มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาหรือว่าแสดงมุทิตาสักการะ เพราะนั้นต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมนิยกถาคือจะบรรยายเกี่ยวกับธรรมะทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่พวกเราทำบุญวันเกิดหรือว่าการทำบุญฉลองอายุในอย่างวันนี้เคยมีมาไหมในครั้งพระพุทธเจ้า าจะว่าการที่จะไล่เลียงหรือว่า เ, ออเปรียบเทียบกับในครั้งพระพุทธเจ้ามีไหมตามไม่จริงก็ตามที่ได้ศึกษามาคิดว่ามีมียังไงคือสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในป่าอยู่ในป่าวัดป่ากุฏิป่าแล้วมีใน เมืองนั้นเขามีนักบวชนอกศาสนามีอยู่สองคนด้วยกันเป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันตีนนี้เขาออกบวชแต่เขาประพฤติปฏิบัติพจน์ของเขาเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีต่นี้คนหนึ่งคือคล้ายๆกับว่ามันถอยหลังว่า ง, งั้นเะเกินเออเราคงจะอยู่ต่อไปภายภาคหน้าไม่ได้ อ, อ่าอยากจะศึกว่า ง, งั้นะ แล้วก็ศึกออกมาก็ตั้งเนื้อตั้งตัวเหมือนกับคนทั่วไปแต่ก็อยู่ในระดับขั้นเป็นผู้ร่ำรวยในท้องถิ่นนั้นพอต่อมาเขาก็มีลูกชายขึ้นมาคนหนึ่งเป็นที่รักของเขาอย่างมากพกคนอายุแก่แต่งงานแล้วก็พอได้ลูกมาก็คงจะรักเหมือนลูกหัวแก้วหัวแหวนลักษณะอย่างนั้นอะ่ะพอต่อมาก็ลือสีหรือว่านักพศ ที่เป็นเพื่อนกันอยู่ในหัวเมืองต่างก็ได้กลับมาในบ้านเมืองของเขาโดยบังเอิญแต่เพื่อนนี่ก็ทราบว่ า, านักพน์มาในบ้านของตนเองมาในถิ่นของตนเองก็เลยพาพัญญากับลูก เ, เข้าไปกราบานักพน์ที่เป็นเพื่อนกันนั้นจากนั้นพอเข้าไปกราบนักพน์ ท่านก็ให้พรว่าขอเจ้าขอท่านจงมีอายุยืนนานคือให้พรขอท่านจงมีอายุยืนนานจากนั้นพัญญาก็เอาลูกให้สามีพันญาก็กลราบพอกราบนักพจนักบวชท่านก็ให้พอรอีกว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนนานเทนี้พอพ่อแม่กราบแล้ว ให้ลูกตัวเล็กกราบพอกลาบนักพ น, น์นั่นนั่งเฉยไม่ได้กล่าวอะไรเลยก็เลยเป็นที่แปลกใจสาหรับสองสามีพันยาก็เลยถามนักพรตนักบวชนั้นว่าทาไมเมื่อข้าไปเจ้ากราบคารวะท่านท่านก็ให้พรมาขอให้มีอายุยืนนานเมื่อพัญยาของผมกลาบท่านก็บอกว่าให้ท่านมีอายุยืนนาน แต่พอลูกผมกราบท่านทําไมจิ้งนิ่งไม่พูดอะไรเลยเป็นเพราะอะไรครับผมนักพจน์นั้นบอกว่าลูกของท่านเนี่ยจะอายุไม่ยืนอายุไม่นานจากนี้นเขาก็ตกใจก็าถามทําไมเพราะว่าดวงเขาหรือว่าชีวิตของเขาดวงของเขาเนี่ยเอามาสั้นมากเขาจะมีอายุเพียงเจ็ดวันเท่านั้นจากนี้ไปจากนั้นเขาก็ถามว่า จะทำยังไงจะมีวิธีแก้ไขไหมท่านนักพจน์นั้นก็บอกว่าสำหรับเราเราไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขได้เรามองเห็นแต่สมณะโคดมพุทธเจ้าที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ได้แต่นี้ท่านนักพจน์ที่ศึกไปแล้วน่นก็บอกว่าโอ้ถ้าผมไปผมก็ต้องเสียตาปากคือให้เข้าไปต้องเสียศาสนาที่บาเพ็ญมานุมนาน คือครวายอมตนให้เป็นลูกศิษย์ของคนอื่นอยอมตนให้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนั้นแหละรักพศนั้นบอกว่าถ้าหากว่าท่านรักลูกของท่านท่านจําเป็นต้องไปแต่ถ้าท่านไม่รักลูกก็ไม่เป็นไรถึงจุดนั้นก็ต้องจบกันทีนี้นเขากกด้วยความรักลูกของเขาเขาก็เลยต้นดันไปกราบพระพุทธ เ, เจ้าพระพุทธเจ้าพระท่านอยู่ประทับอยู่ในป่ากุติหลังเล็กๆ แค่ว่าเป็นกระต๊อบหรือว่าเป็นกุฏิชั่วคราวเมื่อเข้าไปกราบเขาก็กราบพระพุทธองค์ก็ว่าขอโยมจงมีอายุยืนนานจากนั้นพัญญาก็เอาลูกให้สามีเขาก็กราบขอเจ้าจงอายุยืนนานพอให้ลูกกราบพระพุทธองค์ก็นิ่งสองผัวเมียก็เลยถามกราบถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าลูกของท่านจะมีอายุเพียงเจ็ดวัน สองสามีพัญญากว่าจะทำยังไงมีวิธีแก้ไขไม่พระเจ้าค่ะพราะพระโด้งว่ามีมีอยู่ก็ ค, คือท่านมีความสามารถใหม่คือให้ไปตั้งมนดบไปนั่งทำพิธีอย่างพบพระสงฆ์สวดอย่างเนี้ยนะแล้วก็เอาเตียงหรือวัตะแค่เอาไว้ตรงกลางแล้วก็ให้พระสงฆ์นั่งรอบแปองค์ ถึง16อง8องก็ได้16องก็ได้ให้นั่งรอบอลูกของท่านแล้วก็ให้ลูกของท่านนอนอยู่ตรงกลางถ้าทำอย่างนั้นได้จะมีส่วนที่จะทำให้พ้นเขตอันตรายได้พราหมณ์นั้นบอกว่าได้พระเจ้าค่ะแต่ว่าจะนิมนต์พระสงฆ์จากที่ไหนไปนั่งถึง8ถึง16องพระพุทธเจ้าบอกว่าเดี๋ยวเมื่อท่านทำเสร็จแล้วเราจะส่งพระไปไป พราหมณ์เขาเรียบไปจัดทำํำพอทําบรรจบเสร็จแล้วก็มากราบพระพุทธญาพระพุทธองค์ก็ส่งพระไปไปนั่งล้อมรอบสวดพระปริตตไม่มีระหว่างเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่งอยู่นั่นไม่มีระหว่างอคงจะมีระหว่างก็คงจะเปลี่ยนกันฉันอย่างหันมัน้งแต่นท่านก็สวดถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนถึงวันที่เจ็ดพระพุทธองค์เสด็จไปเอง เ, อเสด็จเข้าไปนั่งในพิธีพอพุทธองค์เสด็จไปเทวดาทั้งหลาย มาลุ่มล้อมพระพุทธเจ้าเออทีนี้ก็ไอ้ยักษ์ผู้ที่เป็นเวรกรรมกับเด็กคนนั้นน่ะที่ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าเมื่อเจ้าปฏิบัติเราแล้วให้เจ้าไปกินคนนั้นนะเด็กคนนั้นนะคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันมาก่อนเออแล้วเจ้าจับกินได้เราจะให้พรแก่เจ้า ตอนี้ยักษ์ตัวนั้นก็เลยมาที่จะมาจับเด็กตอนกินแต่นี้เทวดาทั้งหลายมาล้อมรอบมาฟังพระปริตตะมงคลของพระสงค์แล้วกัวันสุดท้ายพระพุทธองค์เสด็จมาเองพวกเทวดาทั้งหลายเข้ามาล้อมรอบพระพุทธเจ้ายักษ์ตัวนั้นมีบุญสักดิ์น้อยมีบุญบารมีน้อยสักน้อยถอยไปห่างไกลจนรุดสุดลูกหูลูกตาเหมือนนั้นเถอเข้ามาใกล้ไม่ได้ พอถึงอารุณ์ขึ้นในวันรุ่งขึ้นแปลว่าการให้ประสาทพรราการให้พรของเท้าเวสว ร, ร์จบคือไม่ให้พรไม่ให้ยืดเยอะกันเถอะแต่พอเป็นวันใหม่แล้วก็บจบพระพุทธองค์ก็ให้ศีลให้พรขอเจ้าจงอายุยืนนานสองสามีกาบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าลูกของข้าพระองค์เนี่ยจะอายุนานจักเท่าไรพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าร้อยยี่สิปี จากนี้ไปลูกของท่านเนี่ยจะอายุยืนถึง120ปีปีพราหมณ์ก็เลยตั้งชื่อลูกตนเองว่าอายุวัฒนกุ ม, มาร อ, อายุวัฒนกุ ม, มารนออนอันนี้ก็คือการทําพระปริตตมงคลการกราบไหว้สักการะบูชาอของครูบาอาจารย์ที่ทําสวดพระปริตตะมงคลตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลาย ต่อมาอายุวัฒนะกุมารมีบริวารห้อมล้อมมากราบพระพุทธเจา้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้สนทนากันว่าสิ่งที่จะทําให้คนอายุเยือนนี่เป็นยังไงหนอสนทนากันพระพุทธองค์เสด็จมาในที่ประชุมพระสงฆ์ผู้ทรงบอกว่าผู้ที่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่พระบารีที่หลวงพ่อได้ยกเบืองต้นว่าอภิวาคืออภิวาศ อภิวาทนศสีดิสนิจังบุตพจายิโนจัตตาโรธรรมวัันติอายุวันโนสุขังผู้ที่มีการอภิวาทอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้วั ย, ยวุฒคุณวุฒผู้ที่เคารพสักการบูชาคือพ่อแม่อู่ญาตตายายวงสาคนายาตพ่อแม่ครูบาอาจารยา์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง มีการอ่อนน้อมถ่อมตนเขาคนนั้นจะมีอายุยืนนานจะมีอายุด้วยวันณะด้วยสุกขะด้วยภาระเจะตุพรทั้งสี่จะเกิดขึ้นแก่เขาคนนั้น อ, อันนี้แหละ เ, เพรานั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทการอยู่ด้วยกัน <c oughs> ต้องรู้จักการลเทศะบุคคลให้รู้จักหมู่บุคคลที่ควรกราบควรไหว้ บุคคลไหนที่ควรกราบควรไหว้อันดับแรกก็คือพ่อแม่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาเลี้ยงดูเรามาทางร่างกายก่อนที่พวกเราจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมานั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ก็เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเราแต่เราเกิดมายังไม่รู้เรียงสาภาวะยังเป็นตัวเด็กตัวเล็กอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพ่อแม่เลี้ยงเด็กหรือว่าเขาเราเคยเป็นพ่อแม่เด็กเลี้ยงเด็กมาทุกยากขนาดไหน พ่อแม่เลี้ยงพวกเราก็ไม่แพ้กันอย่างพวกเราเลี้ยงเด็กๆนั่นแหละเพราะนั้นก่อนที่จะใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดนี้พ่อแม่ทนุถนอมกอมเกลาอุปนิสัยขนาดไหนเด็กร้องให้หรือไม่สบายพ่อแม่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเพราะนั้นถือว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายในส่วนร่างกายแต่ส่วนความรู้ความฉลาดนั้นพ่อแม่เขาพยายามยัดเยียด หาความรู้ความฉลาดให้แก่ลูกแก่หลานของตนให้แก่ลูกของตนให้ได้เราเรียนศึกษาตามภาษาของโลกเพื่อยังชีพให้เป็นไปได้อย่างโลกทั่ ว, วไปแต่สำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์นี้ท่านเป็นผู้สอนธรรมะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบารู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษ รู้จักสิ่งควรทําและไม่ควรทําการแนะนําสั่งสอนพวกศรัทธาญาติโยมให้มีศีลธรรมประจําใจสําหรับสั่งสอนพระลูกพระหลานก็ให้รู้จักเรื่องศีลสมาธิปัญญาเต็มความสามารถของท่านเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดจากท่านก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนทางจิตตวิญญาณผู้นําจิตวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลาย อันนี้แปลว่าเป็นผู้มีพระคุณยิ่งทางด้านจิตใจแต่สำหรับพ่อแม่นั้นมีพระคุณยิ่งสาหรับการเลี้ยงดูทางร่างกายแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์อันนี้คือเป็นผู้มีพระคุณยิ่งทางด้านจิตใจท่านแนะนำสั่งสอนจนถึงมรรคถึงผลท่าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วมรรคผลนิพพานก็อยู่ ใกล้พวกเราเพราะนั้นถือว่าพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นผู้มีพระคุณยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะกราบควรจะไหว้ควรจะอภิวาสกราบไหว้ท่าน เ, เมื่ออธิวาตเราทำถูกต้องแล้วการเป็นอยู่ของพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ไปนั่งจาานถิ่นใดก็เป็นที่ยกย่องเชิดชูบูชาเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราทำไม่ดีนิสัยเกเลดาพ่อดาแม่ตีพ่อตีแม่ เ, เพอเพอฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกอตำรวจไล่จับหัวสุกหัวซุนพวกเราว่าเป็นยังไงคนประเภทอย่างนั้นแปลว่าชั่วช้าลามกอย่างสุดๆด เ, เพราะนั้นคนที่ทำความดีก็คือดีดีอย่างสุดๆุด อ, อันนั้นแปลว่าชั่วอย่างสุดๆ เพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะเอาทางไหนทั้งสองอย่างหลวงพ่อว่าควรจะเอาดีอย่างสุดๆนั่นแหละควรจะปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้เคารพสักการะบูชาให้มีแต่สิ่งที่เป็นศิลิที่เป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทัน้งหลายมาถึงวันนี้เกี่ยมาแสดงซึ่งความเคารพสักการะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดคืออาจารย์ อาจารย์เป็นผู้แนะนําดีครูบาอาจารย์แนะนําดีให้เรียนดีบอกศิละปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอัมพางยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงจะไปในทิศไหนไม่อดอยากอันนี้คืออาจารย์หน้าที่ของศิษย์คืออะไรเมื่อเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาด้วยลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถาก ด้วยเรียนศิลปะวิทยาด้วยเคารพอันนี้คือหน้าที่ของสิทธิ์หน้าที่ของอาจารย์อาที่ของสิทธิ์เป็นคนละหน้าที่เพราะนั้นพวกเราอย่าให้ขาดตกปกพ่องเราในฐานะที่ว่านับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านองค์ใดที่ท่านมาก็จะไปแขงกระด้างให้อ่อนน้อมถ่อมตนพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นถุกไปนัสถานทีน่ใดเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้า เราก็มีโอกาสที่จะสอนลูกสอนหลานพระเนนของเราให้เคารพอ่อนน้อมต่อเราได้เพราะเราเคยทํามาแล้วแต่ถ้าว่าเราไม่เคยทําอย่างนั้นมาก่อนเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ไม่รู้จะสอนอะไรให้แก่เขาเพราะว่าตัวเองก็แข็งเดินดั น, ด, นด่าง ง, งกงักงักเงนิง น, งนเงินงันงันไม่มีความเคารพคารวะครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราจะสอนอะไรให้แก่ลูกแก่หลานแก่พระเกเรเ น, นของพวกเรา อย่างพวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานก็เหมือนกันทางว่าพวกเราเคารพอ่อนน้อมต่อคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานของเราก็ถือว่าเราเป็นตัวอย่างเมื่อไปแล้วพ่อแม่ทำยังไงกับพ่อกับแม่ของเรากับปู่กับย่าของเรากับตากับยายของเราพ่อแม่แสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อพ่อแม่ลูกของเราก็มองเป็นตัวอย่างแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้า เขาก็ยึดเราเป็นตัวอย่างเขาก็มากราบมาไหว้เราด้วยความสนิทใจเพราะว่าเราทําเป็นตัวอย่างให้เขาได้เห็นแล้วแต่ถ้าว่าเราทําแข็งกระด้างเข้าไปเห็นพ่อแม่ก็มีแต่ปาหมาท่านแสดงความไม่เคารพท่านแะกลับมาก็ยังมาพูดให้ลูกฟังอีกอปู่ย่าตายายไม่รักเรารักแต่คนอื่นรักญาติรักอารักน้ารักป่ารักลุงคนอื่นตระกูลของเราพ่อแม่ไม่รัก พูดจ้องจาบให้ลูกเขาได้ยินต่อไปลูกของเขาเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็ยังทําอย่างที่เราทําให้แก่พ่อแก่แม่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทําสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นจะตามสนองนเพราะฉะนั้นกรรมมุนีนาวัตตีโลโกสัตว์โล ก, โ ก, โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้แล้วไม่ต้องสงสัยอันนี้คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้แล้วสอนไว้แล้วสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย แล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนี้กระวจนจะเข้าพรรษาอีกไม่กี่วันข้างหน้าสิบกว่าวันท่านเองจะเข้าพรรษาแล้วเพราะนั้นในพรรษานี้พวกเราควรจะทำอะไรให้แก่ตัวเองในพรรษาที่จะถึงนี้ถ้าวาท่านผู้ใดก็ตามถ้ายังไม่ได้คิดก็ควรจะคิดปรับปรุงแก้ไขการกระทาของตัวเองอย่างพวกเราจะงดเล่าได้ไหม ในพรรษานี้โดยเด็ดขาดตายเป็นตายางดชุลาเราจะงดปูรีได้ไหมในพรรษานี้เพราะว่าุูรีเป็นอันตรายต่อสุขภาพเรางดยากเหลือเกินอดอยากเหลือเกินแต่ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะขันเข้าไปหาหลักยุดเด็ดขาดจะไม่สูบ ป, ปูรีจะไม่กินเหล้ า, าพร้อมกันก็ไม่จะไม่เล่นการพนันทุกประเภททดลองที่สเดือนเนี่ยทดลองดู เพราะว่าเราเล่นการพนันมามากต่อมากแล้วถ้ามันจะรวยมันก็รวยมาพอแรงแล้วแต่บัดนี้เราจะงดดูสิทําให้จิตใจของเรานื่งจิตใจของเราไม่กระเพื่อมจิตใจของเราไม่วุ่นวายถึงเขาจะได้ยินข่าวมาทางไหนว่าเลขเด็ดเลขดีขนาดไหนข้าพเจ้าจะงดในการเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่อะไรก็ตามสรุปแล้วว่าเป็นการพนันงดทั้งหมดได้ไหมอ่สาสเดือนเนี่ย อันนี้ก็คือสัจจะวาจาหรือสัจจะคือความจริงใจของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเราเอาชนะใจของเราได้เปาะหนึ่งแล้วต่อไปเปาะสองเปาะสาความชั่วอย่างอื่นพวกเราก็คงจะกำจัดได้ไง่ายง่ายแต่ถ้าว่าการทำความชั่วเพียงแค่นี้พวกเรายังลดละไม่ได้อย่าไปหวังเลยว่าเราจะลดละความชั่วอย่างอื่นที่มันหนาแน่นขึ้นไปกว่านี้เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายสาหรับผู้สูงอายุ ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุบโบสถทุกวันพระข้าพเจ้ารักษาศีลห้าทุกวันพระหรือข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนหรือข้าพเจ้าก่อนนอนจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันไม่ให้ขาดทั้งตื่นนอนทั้งก่อนนอนหรือข้าพเจ้าจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดในใไตรมาสสามเดือนนี้ อันนี้ก็เป็นสัจจะเรื่อว่าเป็นความจริงหรือเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในภรษาที่จะถึงนี่ควรจะวางแผนคิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าก็จะเป็นผลดีเพราะว่าการจะทำสิ่งใดก็ตามถ้าว่าสร้างคุณงามความดีก็ควรจะมีแปลนมีแผนเขาทำความชั่วเขาก็ยังมีแผนมีแปลนมีแผ น, แผนที่จะทาความชั่ว เห็นไหมพวกเราเคยเห็นในหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามก่อนที่จะฆ่าคู่ฆ่าคนก่อนที่จะทําความชั่วเขามีแผนมีแปนล่วงหน้าไม่รู้กี่ชั้นอันนี้เราจะสร้างคุณงามความดีจังสมบุญกุศลพวกเราควรจะมีแปลนมีแผนเหมือนกันนะว่าจะเอาอย่างไงกับการกระทําของพวกเราที่เราต่อสู้มันมามากต่อมากสู้มันไม่ได้สักทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูบปุี่อย่างเนี้ย แต่ขาวนี้เอาเถอะข้าพระเจ้าจะเอาให้ได้เด็ดขาดนะหลวงพ่อว่าก็คงจะเป็นผลดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะอันนี้ก็คืออันนึงจากนั้นก็ในพรรานี้สำหรับครูบาอาจารย์พระเนนก็พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่งภาวนาดูจิตใจของพวกเราํามรับศรัทธา ญ, ญาติโยมก็เหมือนกัน ก่อนไหว้พระสวดมนต์หลวงพ่อวายาจะให้นั่งภาวนาพวกเราเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานลูกศิษย์พระป่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ยินว่าสมาธิปัญญาอย่างเนี้ยแต่พวกเรามาไม่เคยนั่งสมาธิเลยไม่เคยนั่งภาวนาเลยแต่จะเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานครูบาอาจารย์ได้อย่างไรเพราะนั้นก่อนที่จะหลับนอนก็ควรจะนั่งสมาธิทําจิตให้สงบการทําจิตให้สงบนี้เป็นผลสืบเนื่อง ไปนานเท่านานถ้าว่าพวกเราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจเสเลยถ้ามีอะไรเข้ามากระทบจิตใจของเราจะหวั่นไหวไควแหว่งว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราได้ฝึกจิตตภาวนาเอาไว้จิตใจของเราให้เข้มแข็งเอาไว้จิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไว้จิตใจให้เป็นสมาธิเอาไว้จิตใจของเราจะเข้มแข็งเพราะฉะนั้น ควรจะฝึกสมาธิไม่ใช่หน้าที่ของพระเท่านั้นนะไม่ใช่พระกรรมฐานเป็นหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมทุกท่านในครั้งพระพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาท่านรักษาศีลแล้วก็นั่งภาวนาฝึกหัดจิตใจของใครของเราเฝึกหัดปฏิบัติของพวกทุกท่านการฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาไม่ยากง่ายนิดเดียวเราไม่ต้องมีขันห้าขันแปดไม่มีอะไรทั้งหมดเรานั่งอยู่ที่บ้านของเรา แต่ข้อสำคัญให้ดับวิทยุโทรทัศน์ให้มันอยู่ในความสงบหรือหามุมสงบหรือว่าให้เขาหลับนอนซะก่อนอพวกเราผู้นั่งสมาธิยังคอยนั่งแต่ว่ามีเสียงอึกกระทึบคึกโครมนั้นจะนั่งสมาธินั้นจิตใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอ่าอันนี้แปลว่าสมาธิกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเสียงนั้นไม่ถูกกันฮะพูดง่ายๆเหมือนกับดำกับขาวอย่างนั้นเป็นคนละทิศ ท, ทางกันเพราะฉะนั้นเวลาจะนั่งสมาธิต้องหามุมสงบ เ, เวลานั่งกัน เรามองพระประธานเดียเ๋ยวนี้ที่ตรงต่อหน้าเรานั่งอย่างนั้นละ่ะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงหลับตาและกับบริกรรมลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถนี่ให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ล่ะคือภาวนาปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยนะง่าย แต่นี่ผลที่จะได้รับนั้นมหาศาลคือเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมามีเรื่องอะไรมากระทบเพราะพวกเรานี่ยต้องแน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่เรื่องใดก็ต้องเรื่องหนึ่งเอ่อไม่เรื่องนอกก็เรื่องในที่จะมากระทบพวกเราแต่พวกเราเมื่อจิตใจของเราฝึกดีแล้วเราก็ต้องหาหมุมสงบเออ จิตใจมันจะวิ่งเข้ า, าหาสมาธิทันทีจิตใจของเราจะไม่ออกไปพังนอกแต่ถ้าบว่าพวกเราไม่เคยฝึกเมื่อมีอารมณ์อะไรเข้ามามีเรื่องโศกเศร้า อ, อะไรเข้ามามีเรื่องทุกข์เรื่องโศกอะไรเข้ามาพวกเราจะรับไม่ไหวจิตใจของเราจะว้าววุ่นขุนมัววันไหวไกวแหวงเพ้อเพ้อเป็นบ้าอได้ง่ายๆเพราะอารมณ์ข้างนอกเข้ามากระทบจนรับไม่ไหว เพราะนั้นพวกเราถ้าหากว่าฝึกหัดทางจิตตะภาวนาจิตเป็นสมาธิดีแล้วเหมือนกับมีสิ่งที่กำบังไม่ให้ลมแดดและฝนเข้ามากระทบกระแทกเราได้เพราะสมาธิเป็นเครื่องกำบังเป็นเพื่องปิดกั้นพวกเราอยู่ในสนามเพาะหรือสนามที่กำบังอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะฝึกนะเมื่อฝึกดีแล้วเมื่อเท่าแกชะลาหลวงพ่อว่าเมื่อเท่าแกชะลา ถ้าว่าพวกเราฝึกสมาธิดีเห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านฝึกจิตตภาวนาของท่านอย่างเข้มแข็งแล้วท่านจะไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างไม่เงียบเหงาเออภาวนาไปเรื่อยๆของท่านถึงข้าวถึงข้าวแล้วเหรอไปแล้วเหรอเอาไปก็ไปในท่านจะไม่สะทกไม่สะท้านแต่พวกเราท่านทัน้งหลายที่เห็นคนแกท่ทั่วๆไปพออายุแก่ขึ้นมาแล้วพอลูกหลานหนีออกไปแล้วกว็จิตใจว้าเหวอ้างว้าง เ, เงียบเก๋าซึมเศรา้านิสัยโรคซึมเศรา้าจะเข้ามาเยือนคนแก่ได้ง่ายที่สุดเพราะเหตุไยเพราะจิตใจขาดธรรมะเพราะนั้นพวกเราควรจะฝึกหัดเอาไว้เรื่องจิตตะภาวนาจะใช้ได้นานเท่านานั้งว่าพวกเรามีจิตใจเข้มแข็งแล้วเป็นผู้มีหลักแล้วความสงบพร่มเย็นเป็นถุกลูกหลานทั้งหลาย เ, เห็นก็สบาย อ, อกสบายใจด้วย เพราะว่าเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาเขาก็ไปจัดไปทําจากนั้นมาเห็นปู่เห็นตาเห็นย้าเห็นยายของเขาเล่าเริงแจม่มใสไม่ซึมเศร้าไม่เหงาหงอยเขาก็สบาย อ, อกสบายใจเพราะนั้นเราเกิดมาอย่าให้เขาเป็นทุกเป็นร้อนกับเราพยายามสั่งสมคุณงามความดีพยายามสั่งสมศีล ส, ส, ส, สมาธิปัญญาเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะว่าพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะ่ พูดได้เลยว่าพวกเราจะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่ต้องสงสัยทั้งหลวงพ่อด้วยทุกคนด้วยอพอนั้นถึงจุดจบแล้วพวกเราจะไปที่ไหนตายแล้วไม่สูญพราะพวกพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมที่โคลนต้นโพท่านยืนยันร้อยเปอเซ็นเลยว่าปุพเพเนวาสานุัตติยานและลึกชาติผลหลังได้ เพราะนั้นถ้าว่าตายแล้วศูนย์จะระลึกชาติทวนหลังได้ยังไงเพราะพระพุทธเจ้าระลึกชาติทวนหลังได้ เ, เพราะฉะนั้นพวกเราเสร้างสมบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนั่นแหละจะพานําพวกเราไปสู่สุคติแต่ถา้าพวกเราทํากรรมชั่วเสียหายแล้วความทุกข์บาปกรรมบาปอากักขศนจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราพวกเราก็จะได้รับความทุกข์ทรมานในสัมปรายยิ่กิบพบ เกิดมาพบในชาตินี้ถึงเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลแล้วก็นั่นแหละน้ําตานองหน้าไปที่ไหนๆเขาก็มีแต่โทษปิตกรรมมีแต่เขาจะจับไหมใส่โทษของเราเพราะทําความชั่วแต่เราทํากรรมดีแล้วทําความดีแล้วไปนักสถานถิ่นใดมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชาเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้พวกเราต้องการอันไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกเอาไว้แล้วว่า อกตังตุกตังเส้ยโยปัชชาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลย่อมเาผาผานพวกเราเมื่อภายหลังจริงจริงอย่างนั้นด้วยนะถ้าเราไปตีหัวเขาเข้าวิ่งหนีแตนี่เราเน่ยเขาไล่หัวสุกหัวซูล่ะแตนี่หัว น, นินสูขเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางเป็นทุกอยู่ท่นู่นะในตารางเพียงไปตีหัวเขาเพียงกั้นความโกรธไม่อยู่เพียงน้อยเดียวเท่านั้นเอง แต่ความชั่วนั้นเผาผา น, นานเท่าไหร่ติดคุกหลายเดือนอเพเผอหลายปีนั่นแหละกรรมชั่วเนี่ยถ้าเราทําขืนไปกรรมชั่วเพียงแค่นั้นละ่ะและกรรมชั่วย่างอื่นละ่ะที่พวกเราทําไปพวกนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้พวกเราพยายามตรวจตราดูเสมออย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะจากนั้นก็ให้พิจารณาอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะจากโรคนี้ไป เมื่อไรเอ่เพราะนั้นรักกันก็อย่าไปรักมาก mm. เกินไปโกรธกันก็อย่าไปโกรธมากเกินไปผูกพยาบาทอาฆาตเจยะจองเวนกันไม่ดีทั้งนั้นแหะควรให้อภัยกันดีที่สุดเกิดมาก็ต่างคนต่างมาตายไปก็ต่างคนต่างตายบาปกุศลบุญกุศลต่างคนต่างทาไม่ได้แบ่งแยกกันใครทำได้มากก็คนนั้นได้มากใคใครไม่ทำเฉลยก็คนนั้นก็ไม่ได้ เ, เพราะนั้น ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เ, เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดแสดงธรรมให้เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอเหมาะกับการเวลาที่หลวงพ่อได้ยกภาษีเบื้องต้นว่าจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังการที่พวกเราได้มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนครวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จะทําให้พวกเรามีอายุยืนนานจนถึงอายุไขเพราะนั้นที่พวกเราท่านทั้งหลายมาวันนี้ก็มาเพื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราออกจากพบนี้ชาตินี้แล้วพวกเราจะนําบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมไว้ดีแล้วนี้ไปสู่พรโลกภายภาคหน้าคนเหมือนกับคนมีเงินไปสถานที่ใดคนมีเงินไปประเทศไหน มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าตัวเองมีเงินอันนี้ผมเหมือนกันคนมีบุญนะสั่งสมบุญไว้แล้วไปเกิดพบไรภูมิไรก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจบเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปรกาละชนี